อแม้ว่าเองนี่รู้จักใน่ที่กรุงครั้งแรกนี่ค่ะคือไปเขาคอดหมอเขียวพเพราะช่วงนั้นเป็นปีที่ผ่านมาเองแหละคะ่ะเดือนเดือนท่านว่าหรือเดือนพฤศจิกานี่แหละคะ่ะอ่หลวงพ่อทรงให้ไปเขาคอดหมอเขียวเพื่อไปเยี่ยนดีชาติรักษาสุขภาพหรือวิชารักษากายจากหมอเขียวนะคะ ก็ไปกับแม่อมพรแม่คี้คมคายกับหลานแม่อ้วนเนี่ยซค้นไปด้วยกันแล้วก็เม่คี้กรุงนี้ตอนนั้นเม่คี้กรุงนี้อ่าช่วงไปอยู่อ่าสวนตาหน้าบุญมกดาหารนี่อ่าแ ม, อมแม่อืมแม่อมพรแม่คมคายอ่ากางต้นอยู่ด้านหนึ่ง ที้กุ้งอยู่กลางไม่อ้วนอยู่อีกด้านหนึ่งกัเขาร่วมเขา้องน้ำข อ, องเดียวกันกัเห็นกันรู้สึกช่วงนั้นที้กุ้งเล่เาก็จิติดอารมณ์แล้วก็จเกีเป็นทุกว่าเ่าเป็นโลวงมาเลงเนี่ยก็สีคิดมากเป็นค้นผอมๆดำๆสูงๆบอลรู้สึกได้กิบบาเป็นคนสวย ตรงนั้นนะคะเป็นหนาบ้มยิ้มแย้มแก้มใสเลยหนาบ อ, อาบาเบิกบานเป็นคนหน้าสาวมองๆก็บงสะดุดตาตอ่าก็ได้ถามไท่ยกันพอดีไม่ว่าก็ก็เลยเอานังเลยเอาหนังสือตัวเองเนี่ยจะบบบหายอ่านพอ่อ อันเราแกก็สนใจเรื่องก่เว้าเลียงวัดให้ฟังว่าวัดธรรมเจียงเทียนเป็นวัดปฏิบัติธรรมจังสานจังซี่กะเกี้ยสะสนใจก็อยากมาบึงแต่ที่ช่วงไม่ว่าว่าวอยู่นั่นแล้วว่าเราเราฟังเฉยๆจะเล่าว่ารูาเาเาา้เรื่องที่ไม่อว่าว่าวธารานะ่ะอ่านหนังสือก็อ่านผ่านๆไปแต่ก็บ่าวรู้เรื่องที่นี่พ่อเจอกันช่วงนั้นแล้วก็ก็จบคอดแล้วก็กลับมาพอดีขี้กุ้งกักบไม่คิ้ เม่อที่มอดนี่ก่อนตามมาที่หลังก็มาเบิ้งบวชนี่แหละค่ะวาเบิ้งแล้วค่ะรู้สึกว่าคือสิดพ่อใจที่จะปฏิบัติก็เลยที้โกงก็เลยตัดสินใจมามาครั้งแรกนี่ทีุ่้กงก็ยังบอกท่านได้บวชค่ะพ่อมาสักพักหนึ่งบอสอาว่าไม่ไม่อ้วนไปยังนี่แหละไปทุระยังเลยกลับขึ้นมาก่ะพอดีเห็นไม่ขี้โกงบวชแล้ค่ะพ่อบวชนี่แล้วค่ะแกก็ ปฏิบัติธรรมนี้รู้สึกว่าเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้มีสตินีปัญญาสูงมากสามารถที่จะเข้าใจลุกหน้าในใดง่า ย, ายเป็นคนที่ฉลา ด, ฉลาดเฉลียวในท้ำในคำพูดในการแก้ไขปัญหาจนกระทั่งไม่อ้วนได้มั่นใจในตัวที่กลุว่าไม่อ้วน ม, ม, มีผู้ช่วย แถ้าก็อบอกภาษาชาวโลกนะคะไม่ อ, อ้วกคิดไม่ใจว่าไม่อ้วนมีผู้ช่วยแล้วแม่เห็นแกบอกก็ขี้โกงไม่ อ, อ้วกก็บอกว่าแม่มีผู้ช่วยแล้วแม่มีครูที่จะปรึกษาแล้วเพราะว่าบางข้างบางอย่างบางบางสิ่งเนี่ยแม่บ่กเข้าใจแต่ขีุ่้กงสามารถที่จะอธิบายให้ให้อ่าให้ห้องใจเข้าใจหรือท่านไปได้เน่ว่าให้สิเข้า ใ, ใจถ้ า, ามาแล้วนี่บางอย่าง เ้ากอดบริข่าวใหญ่พี่กุ้งเล่าิเข่าใจแล้วก่อนจีแม่ยังสั้นแม่ยังสิก็สามารถที่จะแก้ปัญหาไปได้อันนี้คือการที่เมื่ี่กุ้งเลอกปฏิบัติท่านเรียการประฏิบัติท่านของแรกนี่เข่าวใหญ่ยังหลุดเรีวเลยค่ะแล้วกบโบยิบโบติดแล้วนี้มือหนึ่งในอวดทึ่งมากไม่ไม่ารปฏิบัติของพี่กุ้งที่กุ้ง ก็อยากอยากว่าวโยมเรื่องนี้นะคะอยากเว่าวโยมให้เป็นกระต้นเปลีนคติเตือนใจของผู้อืน่นเม่อวัพักอยู่ใกล้ห้องน้ำกับกุฏิอํมพรอยู่คนละดา้านมีกําลังซักผ้าโยมขี้คุุงเดินไปเดินไปไปยืนอยู่ท้างหน้าไปหักหยอดม่วงการกระทบการสัมผัสเนี่ยทำอย่างนี้เหรอ เอาเอาเงี่วงนะ่ะม่ตีหนายของนะ่ะตีตับตับตับย่เนี่ยไม่หัวกันเลยยิ้มงนะียบตียิ้มอยู่นั่นแหละพูดออกมาซิบอกสินี่อยู่ทำไมพูดดอนสิที่นี้ไม่หัวกันเลยถานมาตอนนี้เม่ยคีไดยยิ้มียงไม่หัวพูดบอไม่ยิ้ มันเสียงมันจังไรเงี้เสียงมันมันได้ยินอ่านเสียงมันมาอยู่กับหูมันเสียงมาอยู่กับหูมันมันมากระทบกันแล้วคําว่าการกระทบการสัมผัสเนี่ยมันคืออะไรไ mm hmm. คิดว่าเอางอย่างนี้ละแหน่ไม่อย่างนี้เหรอคันมากระทบการสัมผัสทางอินทรีย์ทั้งหกอะแกว่าอย่างเนี้ยอะหูตาสมอนร่างกาใจ นั่นเขาเขาเ ป, ป็นอย่างนี้เหรอเน่ก็ใช่สิคีก็คิดเอาสิเนี่ยค่ะเป็นเป็นปัญยาที่เกิดได้รวดเร็วมากถ้าแกาสงสัยในเรื่องการอ่าวถ้าแกาสงสัยในการเรียงปฏิบัติเนี่ยแกจะถามแต้ฮ่อกบะบอกตรงๆเลยค่ะแต้ฮ่อกระบอกแบบคือใบคือใบหวยซื้อบอกแบบใบใบยังสิละค่ ะ, คะบอกอันนี้ปัญหาให้แกตอบเอา แกก็จากนั่นมาก็หลวงพ่อก็ไปนอกนะคะก็อยู่ก็คือช่วงนั้นเมคีสองท่านก็ออกไปเก็บอารมณ์ข้างนอกหกเดือนเราไม่อว่าก็อยู่กับเมคีสองคน้นกับพระองค์หนึ่งในวัดนี่แหละคะ่ะ ก, ก็การอยู่การกินการใช้ชีวิตประจำวันหรือการ อ่าปฏิบัติก็ก็เนื่องได้ยั่งดีแล้วค่ะช่วงหลังมานี่เมื่กี้พอสบายกับเมืเ่อกี้ไปโรงพยาบาลช่วงสุดท้ายเนี่ยคือไปเลยนะคะไปแปดเดือนเนี่ยในอวก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียววังวันพระโบยู่เป็นที่มืออในอวก็อยู่คนเดียวอยู่วัดเนี่ยนะคะอยู่คนเดียวแล้วที่นี่เม็่อกี้ก็ติโตกันอยู่ตลอดแก่เมื่กี้เพิ่นไปยุ่ อ่าร้องบานก็ด ต, ต่อกันนี้ตลอดลว่าแม่อยู่ยังไงแม่อยู่กับใครแม่เหนื่อยไหมแม่ลําบากไหมทํางานอยู่อ่าลําบากไหมก็ถามกันยุ้งซี่หละคะ่ะแล้วแล้วก็ตอนที่อยู่ร้องบานก็ไปเยี่ยมนะคะไปนอนน้ําไปเยี่ยมไปนอนเป็นโมอ่าชีวิตนี้ค่งงคะอยู่ร้องบานนี่ อ่าอ่าอ่า ท, ที่ตรงนั้นเป็นแผลตอนนั้นนี่ค่ะมันมันแตกมันเป็นหนองมันใหญ่ใหญ่จนกระทั่งว่าทีเผดเขาพันเอาผ่ากอดอ่าพัานไวน้ได้ได้ได้ไดสผไไไไ้ผ้าพายเลยค่ะไส้ผู้าผ้าบ่าเอาพายนมเนี่ยค่ะพายนมเนี่ยผูกผ้าบ่าไปเลยมันใหญ่ขนาดนั้นแต่นขนาดนั้นเนี่ยคนเหนียวนา่า คือตาบางเกี่ยงใจถ้ามีว่าลงจากเลื่อบานไปหาสื่อของกินที่ตลอดเนี่ยเดินชึกชึกชึ ก, ชกไเหมือนคนว่เป็นอย่างเลยนะะี่ะค่ะเพราะว่าเนื่องจากการค้นที่ได้จะเรื่อปติเพราะรูจ้จักแยกกิตกับวิธน้าถ้าคน้น뭉ปิติมีใจแยกวทน้าออกจากจิจเนี่ยบม่ได้แต่เพราะว่าที่กลุ่มคุณสามารถที่จะแยด อกิบ้อหาิจไปรวมกับตัววินาทั้งกายถ้าผู้ใดจะเริ่มสตไปมากเนี่ยวทนาเมื่อวทนาเกิดทั้งกายเนี่ยตัวสติเนี่ยจะเป็นตัวไปแยกแยกบ้อให้ยิจเขาไปรวมกับวทน้าถ้าเฮียกได้เป็นเฮาจะถเออกูเกียบเออกูปวดเออกูจิตายก็ดินก็บเล่มกับขันี่ตายกับขันหาแตกยังบั่นเช่าบั่นเป็นตินะคะคันหาแตกนะเพราะว่าไอตัวตัว อดีตเล้นแบบนี้สตินั่นแหละค่ะคือตัวเหยีลิหร่าออกอ่าจากกีบบ่อใดแล้วก็ตัวแล่าป่วยอยู่กัสิลูกล้ําก็สิลําบากด้วยค่ะเดียวก็ดิ้นหน้าเดี๋ยวก็ดิ้นหลังเดียวก็บห้างเดียวก็บข้างเดียวกับเส้นเดียวกั้าห้พออย่างพอมีสติที่้นมาเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนคนบป่วยเลยแต่นอนนั่มแตที่นี่พ่อตกมาเป็นดีแต่ที่เราทามกันเรื่อยๆจนมาได้ยาอ่า สุดท้ายเนี่ยอยาชนิดสุดท้ายเนี่ยในที่ที่ที่ว่าดีๆยาสุดท้ายยาที่มาขี่เรืมันมันมันอาการมันดีขึ้นไงจนว่าอที่มาขี่ออกมานี่มันเปิดเป็นเป็นมันบม่ปวดด้วยค่ะทั้งเสดทั้งห่อนทั้งปวดทั้งเสดทั้งหลอดเพราะไม่มียาสุดท้ายนักขีนี่ทั่วมาบอกว่าขี่หายแล้วนะแม่ขี่หายแล้วนะมันไม่ปวดมันไม่เสดมัน เป็นปกติแล้วอ่ะว่าและที่ี่ถ้าถ้าถ้าชีหายเนี่ยขี้จะเข้าบอกแม่เป็นคนแรกเลยคุนโทรามาบอกนะคะแล้วที่นี้แม่วอวจะเลยเขาเก็บอเลนดูคลองลีเดืนอนนึ่งอว่าก่อนที่เขาเก็บอเลนม่อว่าโทรไปบอกว่าไม่ว่าจะปิดโทรศัพท์ด้วยจะเก็บอเลนเดือนนึงก็ปิดโทรศัพท์พ่อพ่อเก็บอาเลนในเดืนอนหนึงออกวันที่สิบห้าค่ะออกวันที่สิบห้าโทรไป เท่ไปเงี้ยันแลเี้ที่ข้มาเท่าไปรโทรศัพท์เปิดต่อประหนัดเตนกระทงว่าโทรศัพท์จะหมดเสียงลับโทรศัพท์พัดนอกปากบ่งเสียงเบอแบบนี้อยู่กันะไม่ขี้ไม่ขี้ไม่ขี้ไม่ขี้เสียงลับมาจ้าเอ like, cards, ้าเสียงยังไม่เบ ใช่อ้าวมอะไรมันขึ้นสรอ อ, อนี่นกวน่นเดี๋ยวดพนีไม่จะไปเยี่ยมอย่าพร่นี้่จะไปเยนะี่ยมนะจ้าแล้วก็แต่เลยก็ได้ปิดโทรศัพท์แล้วค่ะพ่อดีก็วันที่สิบหกออกต่ลิวันที่สิบหา้าวันที่ที่สิบหไปเข้าบ้านพ่อวันที่สิบเ็บ้านที่ทไป ก็ทา้งบ้านก็ยังบ่ท่านเรียบร้อยเขาบ้านแนละ้พ่อถึงวันที่สิบแปดวันที่สิบเก้าตอนตอนยืนเนี่ยเตรียมของเรียกตอนเศร้าวันที่สิบแปดตีไปหาที่กรุงราตีไปนั่นนั่าจากที่หาขึ้นนะคะคิดว่าน่ะเพราะว่าไปแถวแรกยังไม่ได้นั่นน้ําหลาขึ้ น, นนะก็พอนนดีอ่าช่วงตีซี่เนี่ย เนี่ยน่อยไที่ไ ห, หนทั่วไปบอกว่าให้เลือกโทรไปหาหลวงพ่อตอนนี้เลยด่วนที่สุดเลยด่วนที่สุดเลยก็เลยโทรหาหลวงพอ่อหลวงพ่อเขาบอกว่าเตรียมตัวไปรับศพชี้ค่วงมาวัดท่าจนเตียนก็ก็เลยนี่ละค่ะอะสาเหตุก็เป็นอย่างนี้ละค่ะก็แค่นี้ละเนาะคะ่ะเนาะ Ờ, อ, อ่อยู่ที่เรื่องอยู่ที่เรื่องบนานรู้สึกว่าหมอเขาสนใจไม่เรื้ยงอ่าในที่กลุ่มเขาเขาเปลี่นใจว่าที่กลุ่มนี้อ่อาการนักขนาดนี้เป็นอย่างที่กลุ่มจึงหงาได้ส า, าวาว่าหมอเป็นอย่างใจคอยมีขวัญเบิกบานรอเลี้งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันกบบป่วยหมอเขาไมสนใจพ่อให้คนป่วยที่เขาเป็นถุก เขาก็เอาขุนป่วยหน้าหายขี้กุ้งเวรท่านนายฟั่งบางครั้งเขาก็ไอยขี้กุ้งเขาไปในห้องเขาไปในห้องหรอกกับเป็นการหายที่กุ้งบรรยายท่านแบบรักษาดีนะคะให้คขุนป่วยฟั่งในเรื่องบานหมอเขาก็ฟั่งขี้กุ้งอบบบรรยายบอกท่านนาย้มฟั่งวางซะนะคะไม่ปวกป่วยทั้งหลายอันนี้ที่กุ้งก็ได้ท่านประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะ ท่านประโยชน์ทั้งหลายยางเนี่ยแ ต, ต่วุยนี่ก็นี่สามารถท่านประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเลยคนเท่าทีนั่งบอบปฏิบัติหรือปฏิบัติกวนที่จะคิดไม่จะมีว่านแม้ทั่งจนกระทั่งเราทีตายเนี่ยเกย์เกย์บ ก, บ ก, บกัวควนตายนี่นะค่ะเกยเกย์บกัวควนตายอีกขัขขข้ น, นกระชับกระชินวามเกยเนี่ยคือการบบกัวควนตาย นี่นะคะเมื่ี้กุก็ได้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท่านให้บอกเรื่องบางนี่เพึ่อในการาปฏิบัติธรรมท่านส อ, อนหลวงปจยว่าคุ้มปฏิบัติธรรมแล้วพ่อเก็บปุ๋มากบอกโอกขี้คนุ่มชาวบ้านเก็บปุ๋ยเขาก็สนใจเขาก็เมื่อท่านบนีวทีเขาก็จินตนาการนั่งยองขึ้นก่อนนะคะบอกท่าง โรงพยาบาลศูนย์นะคะแลรื่องที่กุญย์ตอนไปเจอกันครั้งแรกนี tuo, i, <them> an, ่งเห็นหนวดึงเป็นได้เห็นใจว่าได้ตใจ่าจะเป็นคนสวยค่ะแต่เฉพาะหาหัวเรือนี้หน้าตาสวยที่เป็น์เป็นคนสวยตใจบกบานตต่ตอนเห็นที่เรนเหมือนกับเหมือนกับคนโอมลูกค่ะแต่เมื่อเป็นจะตายนี้ค่ะเบิกบาน เป็นกระทั่งตลอบล่ะค่ะท้ายทุ่งหญ้าทั่วไปหนึ่งทุ่ท้าล่ะค่ะเสียงเป็นเสียงค้นบนรถแล้าะคะ่ะก็มาใกล้แล้วค่ะก็กำควนใจแล้วค่ะแค่นี้แะเจ้าค่ะ แต่ถ้าหาผิดเปลี่ยนได้อยาชีวิตเคนละเรื่งเลยอยององคุรีมันถ้าเป็นเจมาเจนยะทังวาาจนวสภาพเลยพพก็เพราะว่าพ่อเป็เจ้าผิดเปลี่ยนชีวิตในคนละเละรึ่งเลเป็นพระหันถึงเรเรืศึกษาเลยปฏิบัติตามคนหัวสมือนี่นบอกถ้าเล่นตัวการปฏิบัติโฆษณาเนี่ ส, มมาสามารถผิดเปลี่ยนชีวิตได้แต่เราให้ไป เสียใจก็เป็นหน้าใจว่าเฮ า, านี่ได้เห็นมน้ากันิมาบดีลูกสนุสีดีดสมองใจกันบ่ตั้งเสียใจแต่ว่าถ้าเฮาตั้งใจปฏิบัติอิปัชนานี่ยชีพใหจะแต่จนามองมากันได้่าตามตัวอมตะท่านตัวน้าอมตะของธรรมะหนึ่งไปชราระล้างให้บริดดสุทธิ์ได้ดขึน้นเกาเนี่ยไม่ใาเป็นคนประมาท ชีวิตที่ห้องเรืออยู่นี่ควรจะหนึ่งมันโตาการปฏิบัติแตจกรณีสิ่งหนึ่งที่อ้วนอ้างถึงก็คือความแรงข้อของสติปัญญาเนี่ยคือสำคัญในที่กุ่มนี้ตัวนี้ที่มาสังเกตเป็นคนที่อ่าเรียก ว, ว่ามีประสบการชีวิตที่มีอายุโบราณสามที่กว่าจะมีประสบการชีวิตไม่สูงเพราะม า, จา่จัดทีาทางถ้ำปั๊มนี่มันทิ่ขั่วได้ สามารถที่ควรทำใจได้ไปเพราะนั้นก็หมาให้ผมจะคำนึงย่อข้องก้ขังผู้ที่ปฏิบัติที่สัมภันส์สภาวะใดแต่ว่าก็แปลกอย่างผู้ปฏิบัตทิที่บริ สัมผัสสภาวะลึกซึ้งปันใดแม่จะบวชปฏิบัติมากึ ง, งาาเป็นครูอาจารย์ปันใดไม่ถึงอันเต็มไปแล้ยมอกมาเคยพอกันนั่นแตกอยู่มากก็แปกแต่ผู้ที่ปฏิบัติสัมผัสสภาวะแล้วสามารถต่อสู่ความเจบความตาได้อย่างอาจหันมักจะได้พ่อกันมักจะได้ซอยกันโดยอาจารย์สุนปองหรือไม่ชี้กรุงก็ตามในยังไอวันที่่างหลวงพอ่อสิวันกด็ ด, หกดีหลวพอสุทธาก็ดีเพได้ซอย ว่าอะไรมีโอกาสได้ซอยกันตะวันหลวงพ่อเปได้ซอยกันนี่เพราะงั้นมันก็เป็นจริงดีสําคัญเด่นธรรมะมันจะสันเป็นใครข้ามเนื้อข้ามะมันจะสันให้ได้ซอยซึ่งกันอะไรกันอืมเราะว่าทั้งสายตาทั้งโลกเขาเนี่ยอาจจะมองภาพมิจฉีมิจีกลุ่มโดยรวมอาจจะเป็นทงางลบก็ได้แต่ในสายตาทั้งท่านก็ถือว่าเป็นภูที่พิก เปลี่ยนชีวิตจากผุ้ดชนเป็นอาญาชน้นใดในวินทีสุทาของชีวิตจนะึงเป็นคุ้มถ้าชีวิตจะเกิดมาถึงมีอายุน้อยก็ตามแต่มูเฮามีชีวิตติดเหลืออยู่เนี่ยมันมีโอกาสเด้ที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตไปที่แลามามีให้ในประมาทในบปผาแมนมาในากรทนั้นแต่จากนี้ไปเนี่ยเขาน่าจะมีที่พลิกเปลี่ยนชีวิตของเขาได้โดยการท้าให้อายตีจริงจริงจัง ในเด็กที่มันบกเคยเหตกระล้งเหหลังบงสิ่งที่เนดีที่นะบเคยเหกลงหลังบงมีความหลบเมื่อก่อนเขาลองบลูบหลังบึงเป็นยังไงเขาเคยเจ็บเคยคุณเคยชุนเคยโกรธเมื่อก่อนงบี่ลองศึกษาเป็นระบบหนีตือนี้่เป็นยังไงให้เปนบีเลเป็นังไ เคยสนุกสนานเคยปวดเพ้อในชีวิตการกินอยู่การกินการเล่นกมุนลบีมันเลนี่เป็นังไลองบกกันกระไรถ้าต่กรลองบากันกระไรเนี่ยมันมันมันต้องศึกษาเด้การคิดเก่งชีวิตบุรแมนวายเของยากเลยแต่ว่ามันมีอุปันของเขานี่คยเหตุยังไก็เัคือเก่าบบก้าฝืนมีสิที่เคยเมา ถขาท่องการฝืนการิก า, กาเปลี่ยนจนปัญญ า, ท, าทั้งธรรมเนี่ยคือมันกลาเปลี่ยนแปลงที่ใช้คาว่าวิระวิริยะที่กล้าหานในการเปลี่ยนแปลงเจ้าของเจ้าของเป็นคนงุดนิติดอารมณ์ ง, ง่ายเปลี่ยนแป ล, ลงร่าบทที่อารมะ์องเิ่งเจ้าของเป็นีดตักมักใดทีดโลกก็ร่องวอรโลกลงเบิ่งเจ้าของเป็นขนปดสบายเนร่องบทที่สบายลงเบิ่งปีอไรมันเปลี่ยนได้ขีดเนี่ย แต่ว่าถ้าปฏิบัติเป็นเส้นหนาบมเต็มท mm. ีเนี่ยยากยากจู่ค่ะค่าย่่าหนึ่งเข่าถ้าไฟหมดเต็มทีจะเปลี่นเข้าสารเป็นเข้าสุกก็ยากเด้ไฟไม่ต้องเต็มทีเด้อมันจะเปลี่ยนไดจิ้มชิ้นจิ้มฟางกันทานบะแห้งพ่อมันจะซุกเกิดเตลี่ยนที่ดิบเป็นชิ้นซุกมันก็บรรยานี่คือถ้าไม่ใช้ตัวไปโ่แมนสิ้นลึกลับกันนะเข่าขึ้น ถามเจ้าของความเพียรความร้อนแรงของความเพียรตะบะเนี่ยห่อนพอแล้วบบที่จะเปลี่ยนก่เลสให้มันเป็นปัญญาเนี่ยเปลี่ยนข่อยดิบให้เป็นข่อสุกเน่ยเปลี่ยนน้าตาลเป็ี่ยนในตนอ้อยเป็นล้ำให้เป็นน้ำตาลได้เนีมีความเพียรพ่อระบบท่านั้นบอกมันช่สิ่งลึกลับหอกธรรมชาติที่เป็นวัตถุสอนให้ยุ่ซึ้นะแต่ห้องกา บ่ได้เอาบทเรียนจากหลวงธรรมมาไปใส่ทางนั้นมาทํำดังนั้นก็เลยการทําบุญก็มีชี้กลุ่มกันสวดมนีทันที่เขาจะมีการสวดตามประเพณีก็แล้วไปที่กับไปว่ามีข้อหมายงั้แต่เขาสวดแล้วเขาก็มาว่ากันฟังเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความตั้งใจขึ้นมากนนี้จะเป็นประโยชน์จากการทําบุญหน้าโชคแบบนี้ มือนี้มืออื่นอีกมือนึ่งที่ห้อจะได้หลับในสิ่งดีอีกหลายอย่างนี่หลายคนนี่คุณมีชีคุงคุมีชคงพยัยหลียัยซุดมนีไปพยัยสุดกันไปแล้วดิยัยซุดคุณเคยได้ชีคุงดีมีีคุงกถามาพยัยสุดนี่อื่นก็ให้พยัยซุดเดียวนะให้ฟังอ่ามีหลายคนนะมนนีกับมดเวลากรหลักแต่คอนุทนาสาธุในความตั้งใจของมโหทุกคน ที่ได้มาเป็นสักขีพยาวนะี่เป็นกำลังใจให้กับญาติพี่นอ้องโดยเฉพาะคุูเดียเป็นที่สาวชีมอดและลูกสาว